ก็กราบบูชาพระตนตรัไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์นักแต่ลงพระเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอแสดงความเคารพมายังพระอ า, า, าจารย์ไพศาลครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีบาสุกุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกตินอก <c oughs> นะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลานะที่เราได้ร่วมกันนะได้ทำภารกิจนะสำคัญนะที่จะร่วมกันส่งหลวงพ่อคำเขียนนะคืนสู่ธรรมชาตนะิซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราได้ร่วมกันทำนะซึ่งโตกระผมนิตมาเองนะก็รู้สึกชื่นชมกับพวกเราที่ได้ร่วมกัน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 แต่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะก็คงอย่ามีความรู้สึกร่วมกันนะว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ในจิตใจของพวกเรานะเมื่ อ, อไรก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวนั่นก็คือหลวงพ่อกับเขียนนะสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะว่าหลวงพ่อไม่ได้จากไปไหน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 โยมจำปาได้ยินบอกว่าตั้งสติให้ดีนะพ่อจะไปแล้วแต่เสียงนี่เบามากนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความมีสตินะสมบูรณนะ์ของครูบาอาจารยนะ์ที่ได้ผ่านการฝึกฝนนะทำให้ท่านสามารถที่จะละสังขารไปได้ด้วยความสงบ นะซึ่งหลวงพ่อคำเขียนนะก็เช่นเดียวกันนะอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์โน้ตนะแล้วก็อาจารย์ตุ้มนะเล่าให้พวกเราฟังนะซึ่งสิ่งนีเน้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้ว เ, เราก็น้อมเอามาพิจารณาตัวเราว่าเราจะทำได้ไมน่นะ้อถึงเวลานั้นก็ <c oughs> ามาคิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าออแหม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 นะตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่านได้ผ่านการฝึกนะมาอย่างายาวนานนะตั้งแต่ไป เ, เรียนรู้กับหลวงพระเทียนนะแล้วก็ฝึกอย่างจริงจังนะไม่ได้ทําเล่นๆไม่ได้ทํเาเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นนะท่านก็ทุ่มเวลาให้กับเรื่องนี้จริงจัง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 เห็นจริงทีนี้มาเห็นจริงแล้วมันก็เกิดศรัทธานะเกิดความเชื่อมัน่นะที่จะประพฤติปฏิบัตนะิตามสิ่งที่พุทธองค์ได้ไดกล่าวได้สอนไวนะ้ซึ่งภาษาในยุคสมัยก่อนเราอาจจะฟังไม่ค่อยชัดเจนนักนะทีนี้พอมาถึงรุ่นนี้นะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็มาพูดด้วยภาษาที่เราฟังแล้วรู้เรื่อง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 นะก็รู้สึกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไยอวร น, นะบางคนก็อาจจะตกใจคาดไม่ถึงนะตัวกระผมนิทมาเองนะเมื่อด้ยินข่าวครั้งแรกก็รู้สึกโงงคาดไม่ถึงเลยนะท่านอาจารล่าได้โทรศัพท์ไปแจ้งไอ้รากนะในในวันเสาร์ที่23นะเวลาประมาณตีห้ากว่ากว่านะซึ่งตรงนั้นเราก็ ก็ดีได้กลับมารู้สึกตัวนะมาดูที่ใจของเรานะว่าเออเราอย่างไรบ้างนะก็รู้สึกก็มีความรู้สึกนะเสียดายนะว่าโอ้ท่านมาด่วนจากไปนะเราไม่ทันได้ไปดูแลท่านเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็รู้สึกไม่ค่อยอสบายใจนักนะแล้วก็ต้องข อ, อขอบคุณอนุโมทนานะกับพระที่ได้ดูแล หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่การจากไปของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่เนี่ยนะมันก็เป็นการที่จะทําให้เราเนี่ยกลับมาดูใจของเรานะบางคนสติยังไม่ได้ฝึกฝนอย่างดีนะก็จะกระทบกระเทือนใจมีความเศร้าโศกเสียใจนะรู้สึกอะไรอวว์ นะแต่คนที่ได้ฝึกสติมาพอสมควร <c oughs> พอที่จะพึ่งตัวเองได้นะก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ได้นำมาพิจารณากับตัวเราเองนะว่าสักวันหนึ่งนะเราก็ต้องไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอย่างไรนะซึ่งหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมให้เราดูเหมือนกันว่าการไปอย่างงดงามหมดจดงดงามเนี่ยมันทำอย่างไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่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 งานให้กับหลวงพ่อถึงสิบห้าวันวันนี้ก็เป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่10บนะบหรือส1บเอ็แล้วเนี่ยซึ่งในช่วง1ิวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการทดสอบกําลังกายกําลังใจของเราเหมือนกั น, นต้องเหน็ดเหนื่อยกั น, นอาจจะต้องอดหลับอดนอนกั น, นแต่ตรงนี้เราก็มีใจพร้อมที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีร่วมแรงร่วมใจกัน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 นะที่พักให้กับพวกเราถ้าเราไม่มีที่พักตรงนี้เราไม่สามารถที่จะกลับเขินสู่ความเป็นธรรมชาติตรงนี้ได้เนี่ยนะเราก็จะเหน็ดเหนื่อยนะเราก็จะทุกขนะ์เราก็จะอะไรอวบนะเราก็รู้สึกห่วยหายเส้งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาให้เรามีความทุกขนะ์เป็นสิ่งที่จะมากรัดก่อนจิตใจของเรานะซส่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่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 นะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายัางได้ยิงนะอยู่ใ น, ในหนะูแล้วก็อยู่ในใจของเรานะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ไดน้อมนำนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะในระยะสิบกว่าวันนีนะ้มาเป็นเครื่องเตือนใจนะให้เราได้นำมาประพฤติปฏิบัตนะิอย่าได้เพียงแต่ชื่นชม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 ในส่วนของที่ตัวพรมพุธธรรเองนาได้มีโอกาสสัมผัสกับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะถ้าย้อนหลังไปก็สัก30กบกว่าปีที่แล้วนะได้ทพบท่านครั้งแรกเนี่ยที่วัดสนามในนะตอนนั้นไป เ, เรียนรู้นวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในกับหลวงพ่อเทียนนะซึ่งก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวผมนิธมรเองฟังหลวงพ่อเทียนไม่ค่อยรู้เรื่อง นะเพราะว่าหลวงพระเทียนท่านจะพูดภาษาอีสานจะเป็นส่วนใหญ่เนาะภาษากลางเนี่ยท่านพูดได้แต่ว่าจากัดมากแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้าที่จะไปเรียนวิธีฝึกเจริญสติกับหลวงพ่เทียนเนี่ยก็เคยฝึกอาณาปณาสติมาก่อนนะจากพี่สุภวรร น, นะซึ่งผลจากการฝึกตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เรามีความสงบนะมีความปลอดโปร่งโล่งสบายในขณะที่เรานั่ง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 นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเมื่อได้มาเรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะก็ได้เรียนรู้วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เราได้ยินในฟังจากหลวงพ่อเทียนเราอาจจะฟังผิดก็ได้นะคือไปฟังและเข้าใจว่าหลวงพ่อให้เราดูความคิดเพราะว่าท่านพูดถึงความคิดบ่อยมากความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ย บอกให้ดูความคิดนะมันคิดอะไรขึ้นมาให้รู้ทันมั น, นแล้วเราก็ไปต่อเสริมเติมเอาเองว่าเออดูว่ามันคิดอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันดําเนินไปอย่างไรมันจบไปอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยแรกๆกเนี่ยก็ทําไปอย่างนี้นก็คือดูความคิดคิดไปเรื่อยเรื่องนี้จบ ค, คิดเรื่องใหม่คิดเรื่องใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆก็มีอาการมึนๆ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 ให้พยายามที่จะมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนความคิดอย่าไปสนใจมันอารมณ์ต่างๆอย่าไปสนใจมันไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงมันเป็นไปอย่างไงมันจะดับย่งไรไม่ต้องไปสนใจกลับมารู้สึกตัวที่กายก่อนจากคําแนะนําตรงนี้นี่แหละนะตัวปุมนิทมาเองก็เอาไปทําแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะเรามันประเภทคิดมากฮนะ ไปกระเชื่ออะไรง่ายๆใช้เวลาเป็นวันไว้กันนะเมื่อไปทำแนละ้วเออมันคลายได้จริงๆคือเราไม่ได้ไปไปจ่องไปดูไปจมอยู่กับความคิดเนี่ยนะเรามาดูเรามาสัมผัสรู้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันก็หลุดไปจากความคิดเนี่ยนะนะซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะ่ะที่เรามองเห็นเออมันมีทางนี้เนาะ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 นะทําให้เรามีความรู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอามาใชนะ้กับตัวเองได้มากขึ้นนะก็รู้สึกเป็นอิสระพอสมควรนะ แ, ตแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะของสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้หรืหลวงพ่อคำเกียนพูดไวนะ้ก็มีความเชื่อมั่นนะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอ ย, อย่างมั่นใจนะในสิ่งที่ท่านได้พูดในสิ่งที่ท่านได้ทํา นะแล้วก็เราก็จำเอามาปฏิบัตินะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบุญวาสนาของเรานะที่ได้มีโอกาสมาปวดอยู่กับท่านนะแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตนะจนสุดท้ายท่านาจากพวกเราไปนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุญวาสนาของตัวกระผมนิมาเองนะแล้วก็จะได้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 ได้กล่าวได้ค้นพบนะแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาประนั็นก็ถือว่าเป็นการสืบทอดนะพระพุทธศาสนานะด้วยการประพฤติธปฏิบัติซึ่งการสืบทอดอย่างเนี้ยนะน่าจะเป็นการสืบทอดที่มันคงแน่นอนนะมากกว่าพิธีรีตองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งมนที่เราจะได้ช่วยกันนะในการที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนานะสืบต่อเส้นทาง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 ก็ถือว่า50ปีกว่าแล้วนะก็ถือว่าจะสืบต่อไปเป็นรวมกันก็เป็นน่าจะเป็น100ปีได้นอกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนพวกเราได้น้อมนำเอาทำนะที่นั่นได้พูดเอาไว้มาทำให้เกิดผลกับตัวเองขึ้นมาเนาะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างเองเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะคุณของครูบาอาจารย์นะมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจ ได้ทุกท่านได้กลับมารู้สึกตัวนะเมื่ออะไรเกิดขึ้นให้กลับมารู้สึกตัวตรงนี้จะเป็นประทีปนะที่จะนำทางนะไปสู่ทางพ้นทุกนะที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้นะเมื่อสองพกว่าปีที่แล้วและเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองขออน้มนุ่งนาทุกท่านเจริญพร